أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسل م ع ل ن بي نا محمد على آله وصحبه أجمعين سبحانك لا ع ل ن ا إلا ما علمتنا إنك أنت ع ل م الحكيم รับ ش ระ لي صدري ويصر لي أمري وحل العقدة م ل الع ي ي ل ب ل لساني الله قولي الله منفعنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا وزدنا علم ر ب إ ن ا ظلمنا ن ف س ن ا وإن لم تقر لنا ترحمنا ل ن ك ن ن ا من الخاسرين ربانا آتنا من لدنك رحمة وحي لنا ن أمرنا رشدا الحمدلله ชูกรตาอัลลอฮ์ส nah, ah, ุลฮานะตะเลานะครับเรากลับมาเรียนอีกครั้งหนึ่งหลังจากโอนวางไปนะครับได้มีโอกาสไปเยี่ยมดินแดนอัลฮารมัยนในการไปอุโมงค์นะครับทั้งมัณฑนาและก็มักอัลฮัมดุลิลลาห์นะมัณฑนาและมักกะเนี่ยพื้นที่สถานที่ที่หัวใจของบรรดามุสลิมทุกคนอยากจะไป อยากจะไปบ่อยๆแล้วก็เวลาไปก็อยากจะอยู่นานๆถ้าอยู่ได้นานก็อาจจะอยู่นานกว่านี้นะแต่ว่าเวลามันมีจากัดก็อยู่ได้แค่นี้สรบพานอัลลอฮ์ะนะครับไม่ว่าจะอยู่นานแค่ไหนก็ยังรู้สึกอยู่ได้ตลอดสุรพานอัลลอฮ์อัลลอฮ์ามากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองของท่านนาบีเมืองมัดีนาเป็นเมืองที่สงบเป็นเมืองที่เหมาะกับการที่เบา จะพาหัวใจไปนั่งไปนั่งเฉยๆนั่งในมัสยิดเฉยๆก็รู้สึกอิ่มใจแล้วไปดูบรรยากาศการเรียนการสอนในมัสยิดนาบาวีม الله, ัชาอ Allah s u b h a n a ล l a h มากมากนะครับมีทั้งฮะลักก็อัลโุรอ่านของบรรดาเด็กๆก็มีนะเต็มไปหมดหลังอัสรีเนี่ยจะเห็นฮะลกอ็ในประจำประจำเสาเนี่ยนะ อ่เ น, นี่ยหฮะละกอสองเต็มหมดเลยพื้นที่อเป น, นบริเวณด้านหน้าแถวแถวประตูส2สิบสองแถว30มสนะสามสเนี่ยมีแต่ฮะละกอเด็กๆตัวเล็กๆน่ารักรหลังอัรีแล้วมีฮะละ ก, ก้ออัลกุรอานของหุจัดด้วยอันนี้น่าสนใจแตใครที่ไปมาดีนะเนี่ยต้องไปหาฮะละกออัลกุรอานของฮุดจาดถ้าเป็นฮะละ ก, ก้อของกุรอานของเด็กๆเนี่ย ก็เฉพาะเด็กๆที่ไปเรียนแต่มันจะมีฮะลักรอัลกุรอานของหุจจัจอยู่ท้ายๆมัสยิดอยู่แถวประตู 89% เาประตู90เนี่ยก็จะเขียนไว้เลยฮะลักร์กอัลกุรอานหรือจูอาฮะลักรอัลกุรอานสำหรับคนที่เป็นมุจจัจที่ไปเยี่ยมมาดินะก็พวกเราที่ไปทำไปองครักษ์ที่ไปเยี่ยมนี่แหละเข้าไปนั่งได้เลย ไปนั่งอ่านกับเชฟไปนั่งอ่านกับครูสอนพรอานนท์เลยจะไปเทสว่าตัวเองอ่าน อ, าอัลกุรอานถูกไหมไปอ่านกับเชฟให้เชฟฟังแล้วเชฟก็จะฟังเราอ่านแล้วก็จะบอกเราว่าตรงนี้อ่านถูกตรงนี้อ่านผิดนี่คือบรรยากาศเนอะไม่ต้องพูดถึงบรรยากาศการเรียนการสอนเต็มไปหมดในมัสยิดนบวีนี่เต็มไปด้วยเขาเรียกว่ามัจลิสลิลมี มีเชฟคนนั้นสอนตรงนั้นเชฟคนนั้นสอนตรงนี้คนนั้นสอนวิชานั้นคนนั้นสอนวิชานี้นี่เป็นบรรยากาศที่บรรดามุสลิมทุกคนแสวงห า, าบ้านเราละทำโดุลิลละยังไม่ได้มีบรรยากาศแบบนั้นแต่ให้เหมือนเหมือนกันสักนิดหนึ่งก็ละทำดุลิลละมากๆแล้วนะครับมัสยิดของเราก็ไม่ได้ห่างหายจาก Majalis Zikri เราหวังอย่างยิ่งว่าขออุดมอานะครับให้สิ่งที่เราทําอิสติกอมกันอยู่ทุกๆคืนวันศุกร์วันศุกร์ค่ำลงใช่ไหมครับก็ได้วันศุกร์ค่ำลงวันพระหัสสบดีศุกร์ค่ำลงเนี่ยขอ อ, ขอุดมอาขอด้วยความหวังต่อเราสุภาพะลาให้เราสามารถอิสติกลมได้ให้พื้นที่เล็กๆของเราตรงนี้เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยบรักะด้วยร ة, ั้พเมะจอัลลอฮฺสุบฮานะวะตะลาะพันมาเจมาจลิซุลซิกริ ท่ามาดีนาเนี่ยพื้นที่ของมานีนามัสยิดอัลบะวีเนี่ยเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยแสงสว่างแสงสว่างจากความรู้แสงสว่างจากนู่ของล่องสุบานตะารามีทุกวันของเขาที่มีทุกวันของเราอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งอิชั่ลลอฮ์ขออุดาให้เป็นพื้นที่ที่มีแสงสว่างนั้นด้วยเป็นพื้นที่ที่มลกะได้มาอยู่กับเราด้วยในช่วงเวลาแห่งการที่เราได้มานั่ง พราะวใจของเรามารับฟังพระดารัสของล l l a h س ب ح ละผ่านสุราต่างๆในอัลกุรอานุลกรมอัลฮัมดุลิลลาฮอัลลีอันงม ا ل ن ع บางทีแนะ้อต a t t ที่เราได้เรียนอัลกุรอานได้อยู่กับคัมภีร์ของล l l a h س ب ح ا ن และ تعالى ก็เป็นเนอ m a t ที่หาอะไรมาทดแทนไม่ได้จริงๆ Allahumma adim ع ل ي ا هذه النعمة برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله والنيمة เริ่มสุรษใหม่พร้อมๆกับการกลับมาเริ่มใหม่สุรษที่เราจะอ่านวันนี้คือสุรุตุเซบะอไรคือสรุตุเซบะอินชาอัลลอฮ์เราจะเรียนกันมาอ่านกันก่อนนะครับสักสาอายอาย 5้าอายัได้ไหมไว้ไหมห้าอายัดอ่าให้หมดอายัจะอธิบายทันไม่ทันโดยค่อยากันซุ拉ตุเซบะอัลลอฮบิลลาฮิมินัลชีนอรม بسم الله الرحمن الرحيم, بسم الله الرحيم, الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. ว َمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ุจฟีหว่ามาเยารุจฟีหَว่ามา قال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلا وربّي لا تأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا สาอายพอนะครับรสวยาวละอัลฮัมดุล i l a h ซุรัตุสบะบันนนจน สุราที่เริ่มต้นด้วยอัลฮัมดุลิลลาห์สุราแรกจำได้ไหมชิงตอบก่อนเลยนะสุราแรกก็คือสุราทูลฟติฮะี่เราอ่านในละมาตทุกห้าเวลาแล้วก็ละมาดสุนัตต่างๆทั้งหมดเริ่มต้นด้วยอัลฮัมดุลิลลาห์สุราที่สองเอ๊ะ สุรัชกาฟีน <relation>? ี <dance Photoshop> yr, ่เป <and Fen hostile> ็นสุรัชที่สลวเอาสุรัชที่อก่อนอะไรนะครับสุรัตุอัลอันงามสุรัตุอัลอันงาม الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ل ق د سورة الكهف หลังจากนั้นก็เป็นสุรัตุซาเบกับสุรัตุทเราเรียแล้ว สุรที่ผ่านมาฟาติรพราะฉะนั้นสุรัช س ا ب ับสุรหชฟาติรเนี่ยมันอยู่ติดกันเนื้อหาการพูดคุยน้ำเสียงของสุรหเนี่ยมีเนื้อหาที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันมากนั่นก็คือการพูดถึงการเรียกร้องบรรดามุชริกีนให้สัทธาตะอัลลอฮ์และสัทธาท วันอัคราแต่ลักษณะการนำเสนอของสุรตุ s a b a เนี่ยจะพูดในเชิงการยกอุทาหรณ์จากบรรดาคนในอดีตในสุรานี้พูดถึงพวกหนึ่งที่มีชื่อว่าพวก s a b h ในขณะที่สุรตุฟาติรที่เราเรียนไปแล้วเนี่ยการนำเสนอกับพวกมุชริกีนจะเป็นแบบ การพูดถึงความยิ่งใหญ่ของ Allah s u a n a h u wa Taala พูดถึง عظمة ขอ Allah นรูปบิยะพูดถึงรยะของ Subhanahu wa Taala พูดถึงคุณลักษณะต่างๆอันยิ่งใหญ่ของ a l t a a l ในราฟาตสมกับที่เป็นชื่อสุราฟาต์แตราะเนี่ยพูดถึงกรณีตัวอย่างจากกลุ่มชน ในอดีตก่อนหน้าพวกมุชริกีนซึ่งเป็นกลุ่มที่พวกมุชริกินเองรู้จักนั่นก็คือพวกซาบะพวกซาบะนี่อยู่ที่ไหนครับใครเคยอ่านบ้างเรื่องราวของกลุ่มชาวซาบะมีความเกี่ยวข้องกับนบีในสุราห์นี้จะพูดถึงนบีดาวูดอะลัยฮิสสลามและพูดถึงนบีสุไลมานดาวูดเป็นพ่อ สุไล مان เป็นลูกเรื่องราวของซาบะเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับนบีสุไลสุไลมานซาบะเป็นพื้นที่ที่อยู่ทางแถบประเทศเยเมนในปัจจุบันเป็นเมืองที่เคยเจริญสุดขีดเดี๋ยวเราจะได้เรียนพอถึงตอนเดี๋วเราจะได้อธิบายว่าวาทิศของซาบะมาเป็นยังไงจะไปอ่านเรื่องราวของซาบะมาแล้วก็มาเล่าให้เพื่นน้องฟัง ในจำนวนความยิ่งใหญ่ของเมืองซาบะนี่เาบอกว่าเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยผลไม้รากไม้เป็นหุบเขาอยู่แล้วก็ทั้งสองฝั่งเนี่ยมีสวนผลไม้อยู่ทั้งสองฝั่งเวลาที่จะไปเก็บผลไม้เนี่ยแค่เอาอะไรอะกระบุงกระังกระบุงอะไรสมัยก่อนกระตะกร้าหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ย เอามาทูนไว้บนหัวแล้วก็เดินไปใต้ต้นไม้อ่ะมันจะหล่นลงมาเองโดยที่ไม่ต้องหยิบเก็บอะไรเลยนี่คือความอุดมสมบูรณ์ของมันสุภานัลล่ละเราจะได้เรียนว่าเมืองสะะเป็นยังไงแต่สุดท้ายสุดท้ายเมืองสะปะนี้กลับฝ่าฝืนไม่ขอบคุณอลล a h ไม่สำนึกถึงบุญคุณของล l l a h ซุบฮานะลลอฮ พระองค์เลยส่งไสและเหลริมน้าท่วเขื่อนซึ่งเป็นเขื่อนที่คนเราที่สร้างขึ้นมาให้มีความร่มรื่นใช้ในการปลูกต้นไม้อะไรต่างๆเนี่ยเขื่อนพังวะะา่าะองค์ส่งมลูกของพระองค์มาทำลายเขื่อนอเดี๋ยวอินชาอัลลอฮฺจะได้เรียนนี่คือผลสุดท้ายจากเมืองที่อุดมสมบูรณ์กลายเป็นเมืองที่แห้งแลง้งเพราะ ไม่ยอมเชื่อฟังอัลลอฮ์สุบฮานาอัลลอฮละในละคุณต่อแนมัดของพระองค์เป็นอุทาหารณ์ให้กับใครเป็นอุทาหารณ์ให้กับบรรดาพวกมุชริกีนและคนรุ่นหลังทั้งหมดว่าใครก็ตามที่มีชีวิตอยู่อย่างรู้ร้อย่างสุขสบายแต่ละเมิดอฝ่าฟืน T, อัลลอฮ์สุบฮานาอัลลอฮละย่านึกว่าวันหนึ่งเขาจะไม่ลําบากอย่านึกว่าวันหนึ่งอัลลอฮ์จะไม่ทดสอบเขา ต้องไม่ประมาทในการดำรงชีวิตต้องนึกถึงความยิ่งใหญ่ของล้องสุภาอลตาอยู่เสมอเพราะฉะนั้นสุรา this นะจึงเป็นการนำเสนอเรื่องราวเหลา่านี้ให้พวกมุชริกีได้สำนึกและเป็นสุราที่อัลกัตตาเริ่มต้นด้วยการกล่าวถึงคุณลักษณะอันยิ่งใหญ่ของพระองค์นั่นก็คืออัลฮัมดุลิลลัไม่ใช่คุณลักษณะอัใหญ่ไม่ถึงว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์ ควรจะต้องให้ก hmm. ับ Allah เหมือนกับบรรดามักลุกทั้งหมดให้กับ Allah สุบฮานาลอัลตะอัลลสิทธิในการได้รับการอัลฮัมดูเนี่ยหมายถึงอัสนาอุการชื่นชมการสรรเสริญการเชิดชูการสดุดีสุบฮานาลอัลถ้าเราเอามาใช้กับมักลุกด้วยกันไม่เกี่ยวกับ Allah เนี่ย ระหว่างมารคุ ก, กด้วยกันเนี่ยคนคนหนึ่งจะชื่นชมคนอีกคนหนึ่งเนี่ยมันมีสาเหตุอะไรบ้างอะอยู่ดีๆเราไปชมเขาเนี่ยเอาแบบจริงใจนะไม่ใช่แบบเสแสร้งไม่ใช่แบบจะเอาคะแนนเะ่ยเอาแบบความรู้สึกของเราเฮ้ยพอเห็นคนนี้ปุ๊บเราชมเขาได้ไม่กระดากปากไม่เสแสร้งเลยเนี่ยเป็นเพราะอะไร เขาเป็นคนยังไงคนที่เราจะชมเนี่ยต้องเป็นคนดีต้องเป็นคนหลอ่อต้องเป็นคนที่อะไรยังไงแน่นอนเราจะไม่ชมคนเลวแน่นอนถูกต้องไหมอ <laughs> ยกเว้นว่าคนเลวด้วยกันแหละที่ชมคนเลวด้วยกันพวกคนเลวด้วยกันมันชมคนเลวด้วยกันแต่ถ้าเป็นคนที่หัวใจสะอาดบริสุทธิ์การที่คนคนหนึ่งจะออกปากชื่นชมอีกคนหนึ่งเนี่ยแสดงว่าคนคนนั้นมันจะต้องมีอะไรดี สุบฮานัลลอฮกลับมาดูที่อัลลอฮ์สุบฮานะวะตาลาไม่ได้เป็นการเปรียแบเบทียบแต่เป็นการให้เห็นภาพได้ชัดเจนว่าสมควรไหมอัลลอฮฺตาลาสมควรไหมที่จะได้รับการชื่นชมจากทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่จากมนุษย์อย่างเดียวอัลฮัมดุลิลละะตรงนี้เนี่ยลิลิสต์กราครวมหมดเลยไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นจินไม่ว่าจะเป็นมลออิกัดไม่ว่าจะเป็นท้องฟ้าแั่นดิน الحمد لله تؤيّن أي جكرواني لون แ ا تتسبح لا تحمي تالله سبحانه وتعالى เพราะพระองค์สมควรจะได้รับสิ่งนี้จากพวกเราทั้งหมด 1. เพราะพระองค์มีคุณลักษณะแห่งความสมบูรณ์ไม่มีใครไม่มีสิ่งใดไม่มีอะไรที่จะเอาไปเปรียบเทียบกับความสมบูรณ์ของ a ุ l a h سبحانه وتعالى ได้ ทุกอย่างที่พระองค์พูดถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่เราสัมผัสได้จากมรคลุกที่พระองค์สร้างมาให้เราเห็นให้เราฟังให้เราได้ใช้ลมที่เราได้ใช้นาฝนที่เราได้ใช้แสงแดดที่เราได้สัมผัสอัลลอฮ์อักบัดสะท้อนไปที่ใครสะท้อนไปที่ผู้สร้างนั่นก็คืออัลลอฮ์ سبحانه และ ت ทั้งสิ้น ความสวยงามที่เราแค่เห็นเนี่ยเราก็ตตลึงแล้วเนี่ยเราลองนึกดูซิว่าผู้สร้างความสวยงามเหล่านี้จะยิ่งใหญ่ขนาดไหนเพราะฉะนั้นไม่มีสิ่งใดที่มันถูกออกมาจากปากของเราได้ยังลื่นไหลที่สุดมากไปกว่าคานี้อีกแล้วเราสามารถที่จะกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาได้ตลอดได้เสมอและเป็นคาที่เวลาที่เราพูดออกมาเมื่อไหร่เรา เราเองที่มีความสุขมากๆแปลกไหมเวลาที่เราชมคนอื่นแล้วเรามีความสุขเรากล่าวตักมีน Allah สรรเสริญอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เราเองเนี่ยกลับมีความสุขทุกครั้งที่เราพูดว่าละหมดุลิลละห์หัวใจเรารู้สึกยังไงพี่น้องลองสังเกตดู س ب ح า ن อัลลอฮหัวใจของเราสึกพองโตหัวใจของเรารู้สึ ก, อ, อ, รรสกอิมเอม นั่นแหละคือ فضلات ขั้วหนึ่งท่านอะฮ์ดีษของท่านนบีลลัลลอฮุอะลัยฮิวัลลัม alhamdulillah ทำเลอิบซ alhamdulillah เนี่ยต้นล้นตาชังขออัลลอฮ์ سبحانه ะ ت ا ل ى เด้อนแก้มมันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นจริงเพราะฉะนั้นอันาอบิิฟติมีดติลอัฟาลิฮ فالللله تعالى الحمد الله تعالى كتوكان كان سر سنى الحمد لله رب العالمين เวลาที่เรานึกถ um ึงความยิ sí ่งใหญ่ของพระองค์บุญคุณของพระองค์สิ่งต่างๆที่พระองค์สร้างมาให้กับเรามันจะไม่ออกมาได้อย่างไรมันออกมาโดยที่เราไม่ต้องบังคับตัวเองเลย Allah أكبر لا إله إلا الله Allah أكبر لا إله إلا الله แม้ว่าบางทีชีวิตของเราอาจจะเจออุปสรรคแปลกไหมบางทีเจอปัญหาไหมในชีวิตเราเนี่ยเจอปัญหาแต่ทุกครั้งที่เราเจอปัญหาเราก็พูดอะไรอัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลลกุลีฮันอัลฮัมดุลิลลา์ในทุกสถานการณ์เวลาที่พี่น้องถามเรานี่คือคุณสมบัติหนึ่งที่น่าแปลกมากสำหรับผู้ศรัทธาเวลาที่ผู้ศรัทธาเจอกันเนี่ยคาแรกที่เขาจะถามจะถามว่าอย่างไงก่อน สบายดีไหมแล้วคำตอบคื อ, อยังไงอัลฮัมดุลิลละอัลลอฮฺอักบรซุบฮานัลอนะครับคำนี้จะเอาไว้เลยนะครับพี่น้องคำว่าอัลฮัมดุลิลละเนี่ยในดุนยาเราก็จะพูดและในอาคิราะเราก็จะพูดอีกครั้งหนึ่งเป็นคำพูดที่บรรดาชาวสวรรค์จะใช้พูดในสวรรค์อีกครั้งหนึ่งทุกอย่างตอนที่เราตาจัดการหมดในวันอาคิราะเสร็จสับนะครับ ชาวสวรรค์ได้เข้าสวรรค์แม้กระทั่งชาวนรกปุรมะบางคนบอกว่าแม้กระทั่งชาวนรกก็จะกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละที่พระองค์ทรงยุติธรรมพระองค์ไม่มีความอาธรรมเลยที่เข้านรกเนี่ยไม่ใช่เพระ AH ะ AH าะเราแต่ละอาธรรมกับชาวนรกเพราะฉะนั้นทุกสิ่งในวันอคัคราเนี่ยอิลัลฮัมดุลิลละอิรับบิลอาลามีทุกฝ่ายจะพูดว่าอัลฮัมดุลิลลอนนี่คือ ท, ที่ไปของอายนี้นะที่บอกว่า الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله الله هو ب ن ك م ท่องฟ้าแล้วก็แผ่นดินอันนี้ที่ไหนในดุ ني ารวในวันอัคยร์ในดุ ني าก่อน الحمد لله ในดุ ني าก่อน ولا حول الحمد ف الآخرة พัฒน์วันอัคยร์อันเนี่ยมักลูกก็จะกล่าวอัลฮัมดุลิลลาฮ์อีกครั้งนึ่ง Allah Taala จะได้รับการสรรเสริญในอคร์อีกครั้งนึง แม้ว่าบางคนในดุนียานี้จะไม่ยอมกล่าวอัลฮ์มดุลิลละตอนที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนียานี้มักลุกบางบางคนไม่ยอมกล่าวอัลฮ์มดุลิลละนั่นก็คือบรรดาคนที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع ا ل แต่พอถึงวันอาคิุรอไม่มีใครที่ไม่กล่าวอัลฮ์มดุลิลละทุกคนจะต้องกล่าวอัลลอฮ์มดุลิลละและ ความเหมาะสมความคู่ควรขององสุภาห์ของต่างัลละต่อการได้รับการสรับสริญจากมักลุกจะปรากฏชัดในวันอาคยร์ต่อนหน้าทั้งมุสมินและกาฟฟรมักลุกทั้งปวงไม่มีใครที่จะไม่ยอมสยบต่ออำนาจของล่องสุภาห์ต่างัลละในวันอาคยร์เพราะาฉะนั้นในวันอาคยร์นี่อัลฮัมดุลิลละจะชัดเจนกว่าหมายถึงว่าจริงๆแล้วมันมีนะการกล่าวทอัลฮัมสหรับอัลลอ์ตาลเนี่ยมันไม่ต แต่หมายถึงนิสบาไปอย่างมรคลูกเนี่ยถ ah ้ามองในสายตาของมรคลูกเนี um ่ยในวันอัคิรอเนี่ยไม่มีอะไรที่กลุมเกลืออกแล้วทุกคนจะกล่าวซาดูดีต่ออัลลอฮ์สุบฮานะวะตะอัลว่ละฮุลฮัมดุฟิลอัคระวะฮัลฮะกิมุลขับีอัลละตะอัลลัณซึ่งปรียญยิ่งท่งเปรียบไปด้วยอ็มะในการสร้างของพระองค์ ในการสร้างของพระองค์สร้างคืออะไรสร้างมนุษย์สร้างทุกสิ่งทุกอย่างท้างมากลบทั้งหมดและในการสั่งในการสั่งก็คือสั่งให้ดวงอาทิตย์ทำงานอย่างนี้สั่งให้ดวงจันทร์ทำงานอย่างนี้สั่งให้มนุษย์ศรัทธาสั่งให้มนุษย์ทำอำามะลซอลและทุกคาสั่งของ a า l เปลี่ยนไปด้วยฮิจม์มะเปลี่ยนไปด้วยเหตุผลทั้งสิ้นไม่ได้อัสะ ไม่ได้เป็นเรื่องไร้สาระการสร้างของลักลาะก็ไม่ใช่เรื่องไร้สาระและคําสั่งของลักษณะก็ไม่ใช่เรื่องไร้สาระทั้งหมดนั้นเปี่ยมไปด้วยฮิกไหมอัลกบีรพระองค์ผู้ทรงรู้ทุกอย่างไม่มีสิ่งใดที่สามารถจะปกปิดออกไปจากความรอบรู้ของ Allah Subhanahu วะเจ้าละด้วยความรู้ที่พระองค์มีพระองค์สร้างเราด้วยความรู้ที่พระองค์มีพระองค์กําหนดบทบัญญัติให้เราดํารงชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นทั้งบดทั้งปวงนี้นำกลับไปสู่ภารกิจหรือหน้าที่ของเราในการที่เราจะต้องกล่าวอัลฮัมดุลิลละอัลฮัมดุลิลละด้วยคําพูดของเราในใจของเราก็รําลึกถึงนะฏฐานนี้ ร่างกายของเราก็ยอมมอบให้กับอัลลอฮฺ س ه แลตาลนี่คือสภาพที่ควรจะเป็นเพราะฉะนั้นพี่น้องครับทุกวันนี้ชีวิตของเราดำรงอยู่แบบนี้หรือเปล่าจริงๆแล้วเฉพาะสุรุษอัลฟาติฮเนี่ยมันก็สอนเราในเรื่องนี้อพรเนี่เป็นการตอบย้ำสุรุษอัลฟาติฮนี่เป็นการตอบย้าถึงหน้าที่ของเราเลยทุกวันจะต้้งข้ออัลฮัมดุลิลลาฮิรอบบิลอาลามีน นั่นคือชีวิตของเรานะทุกวันที่เราจะต้องกล่าวลมุลิลลัฮรบบิลาลมีนเพราะว่าทุกวันเราได้รับเนมัดจากไม่มีสักวินาทีหนึ่งที่เราออกไปจากความเมตตาของ a l l เพราะฉะนั้นไม่ต้องรู้สึกเหนื่อยที่จะกล่าวมลับิลลามนะ่ไรไ้มา l a ่สกทงทเราออกกอ a ้ไม่ต้องรู้สึกเบื่อที่จะกล่าวคํานี้ และแน่นอนว่าสำหรับผู้ศรัทธาไม่มีใครเบื่อเลยที่จะกล่าวคานี้มา s h a l l a h เเราสามารถที่จะพูดได้ตลอด a m i l l a l i l l a h a a l l l a h นะขอให้เป็นคาพูดที่ยึติดปากเราในดุนยานี้แล้วเราจะได้กล่าวบันอีกครั้งหนึ่งในวันอครัพในสรค์เชาวสะวัจะบอกว่าอย่างไง ق ا ل ا ل ح م د ا ل ل ه الله ในสุราฟาติร์ที่เราเรียนไปแล้วอัลฮัมด si ah ุลิลลาฮ์ الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لا غفور شكور ชาวสวรรค์จะกล่าวอัลฮ ah ัมดุลิลลาฮที่พระองค์ทาให้เราไม่มีความทุกข์ไม่มีความเสียใจอีกในสวรรค์ในดุนยาอาจจะมีในดุนยาอาจจะเจอปัญหาแต่ถ้าเราอยู่กับอัลล์เราม ใจิตใจของเราอยู่กับการศรัทธาตา่อลอสวาตัลเราล้ำลึกถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์พอถึงวันอัคคีรอห์ลืมหมดแล้วไอความทุกข์ทั้งหมดที่เราต้องเจอในโลกดุนียานี้พอเราไปอยู่ในสวรรค์ น, นี่อย่าว่าแต่อะไรนะไม่มีสักกนิดหนึ่งที่เรานึกถึงความทุกข์ตอนที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกดุนียะอีกต่อไปนั่นแหละนะคือคําพูดของพวกเราทุกคนอินชาอัลลอฮฺซุบฮฺรราะวะทาลัอัลฮัมดุลิลลาฮิลลัล อ ذه ب عن الحزن นะซุรุตซับร์ الحمد لله الذي لهما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير الله أكبر يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما يعرج فيها วะฮุวรวาะฮิมุลกว فور لا إله إلا ال الله นี่คือหนึ่งในจำนวนสิ่งที่เป็นความยิงยย่งใหญ่ของ Allah ุบ b า a ะ a h u wa Taala นั่นก็คือพระองค์ทรงรู้ทุกยามที่เข้าไปในแผ่นดินอะไรบ้างที่เข้าไปในแผ่นดิน สิ่งที่ลงไปในแผ่นดินเนี่ยก็ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำฝนไม่ว่าจะเป็นแร่ธาตุต่างๆแร่ธาตุต่างๆเนี่ยถ้าเราไปถามบรรดาพวกนักวิชาการบงางท<ม>ีในทางวิทยาศาสตร์เองเนี่ยในทางวิทยาศาสตร์เองพวกนักวิทยาศาสตร์บางทีเขาอาจจะมีคำอธิบายนะพวกแร่เหล็ก หรืออีกหลายๆแร่เราก็เรียกชื่อไม่ถูกนะมันไม่ได้เกิดขึ้นเองแต่มันมาจากไหนมาจากข้างบนมาพร้อมกับสมัยตั้งแต่อะไรไม่รู้สมัยที่ว่าอุกกาบาตสมัยที่บรรยากาศยังสร้างโลกและแต่อะให้แร่พวกนี้มาจากท้องฟ้าแล้วก็เข้าไปอยู่ในซ่อนตัวอยู่ในแผ่นดิน น้ำฝนน้ำก็เช่นเดียวกันเข้าไปอยู่ในแผ่นดินบางคำเส้บอกว่าหมายถึงคนตายสิ่งต่างๆที่เสียชีวิตคนสัตว์ซากอะไรต่างๆทั้งหมดเวลาตายแล้วไปไหนฝังลงไปในในดินอันนี้คือความหมายของมันเมเยริยูฟิลออร์สิ่งที่เข้าไปในแผ่นดิน วมาิมลุมวารุมนาและสิ่งที่ออกมาจากแผ่นดินสิ่งที่ออกมาจากแผ่นดินมีอะไรอัลฮัมดุลิลแลห์มั่งเชลลต้นไม้ต่างๆพืชต่างๆคุมทรัพย์ต่างๆ บรกาต่างๆเวลาที่เราตลพูดถึงบรกกาเนี่ยพระองค์จะทุกพูดถึงท้องฟ้าและก็แผ่นดินบรักาตินมินสเมาอิลลอับบรักาตินมินสเมาอิลลอับสิ่งที่เข้าไปในแผ่นดินที่มาจากท้องฟ้าและสิ่งที่ออกมาจากแผ่นดิน เป็นบราร์กาตเป็นความเป็นโชคลาภเป็นริสกีมาจากสองอย่างนี้เื่อย ไ, ไวน ะ, อ, ะ, อ, ะอีกนิดนึงน ะ, ะให้หมดเวลาบรารการวามายัรูจมินเรนะสิ่งที่ออกมาจากแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาหาร อาหารที่เราใช้กินเอามาจากไหนถ้าไม่ร้อเปอร์ซนเนี่ยสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่เอามาจากดินอะอาหารที่เรากินเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์มาจากดินเอาเริ่มนับซิข้าวมาจากไหนข้าวมาจากไหนข้าวมาจากดินเนื้อเนื้อมาจากไหนมาจากสัตว์สัตว์กินอะไร มาอัลลอฮ์ سبحان อัลลอฮ์ลา إلها إلله ลา إلها إلله นะ ال นัน่นคือข่าวว่าถ้าดินดีก็ปลูกพืชได้ดีใช่ไหมตรงไหนที่ดินไม่ดีก็ปลูกพืชไม่ขึ้นก็ไม่มีริสกี س ุ ح ا ن อัลลอฮ์นะเป็นอย่างนี้แหละถ้าเราไปดูดินแดนอาหรับไปดูมักกะเนี่ยคนละเรื่องเลยมาดินนะอย่าว่าแต่หลายๆที่เฉพาะมักกะกับมาดินนะนี่ก็ต่างกันแหละมักกะนี่ปลูกอะไรไม่ได้ เป็นพวกเขาหินเป็นอะไรทั้งหมดแต่พอไปดูมาดีนะ mm. อ, อัลลอฮฺอักบารเขียวขจีนะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ฝนกำลังตกฝนเริ่มตก <c oughs> มีอยู่วันหนึ่งผมเนี่ยไปมาดีนะก่อนอากาศยังร้อนอยู่แต่พวกที่ไปทีหลังเนี่ยเขาไปทีหลังน่นก็บอกมาดีนะอากาศดรับลงมาแบบกระทันหัน เป็นอาการแบบนี้แหละนไปอยู่รอบลงมาเนี่ยอากาศจาก30ลงมาที่19ให้ภายในวันเดียวมันชาอัลลอฮ์นั่นแหละอย่างพวกเราเนี่ยอยู่ประเทศไทยอากาศมันไม่ค่อยถ้าจะเปลี่ยนแปลงก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงทีละนิดทีละนิ ด, นดใช่ั้มแต่พอไปบ้านเขาเนี่ยเอา้าอยู่ดีๆจาก30กลายมาเป็น20 19ร่างกายบางทีมันทนไม่ไหว จะบอกว่าพื้นที่ของมณี น, น, นาตอนนี้เป็นพื้นที่ที่กำลังเขียวขจีอีกสักเดือนนึงเนี่ยจะเห็นภาพชัดเจนมากมัลล่อศรัทธาดินมีผลต่อชีวิตของทุกคนให้เราสังเกตเอละก ะ, ะบอกสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องการให้มนุษย์สังเกตว่ามันเป็นจริงตามที่พระองค์พูดไหมสิ่งที่เข้าไปในแผ่นดิน สิ่ง oh, ที่ออกมาจากแผ่นดินว่ามายัางซิลูมินาสแมสิ่งที่ลงมาจากท้องฟ้าว่มาย่างโจูฟีฮะลงมาจากท้องฟ้าไม่ว่าจะเป็นน้ําฝนไม่ว่าจะเป็นหิมะไม่ว่าจะเป็นลูกเห็บไม่ว่าจะเป็นอะไรนะอัสวะอัลตะฟ้าผ่าฟาร้องและกบาราคาตันตาอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ว่า ي ายา ل รย ال ا ل ีอาและสิ่งที่ขึ้นไปยังท้องฟ้าอะไรบ้างสิ่งที่ขึ้นไปยังท้องฟ้าในสุรทูฟ่าเตอร์เราเรียนแล้วสุรทูฟาตอรอัลลอฮฺุต่าลาพูดถึงอัลกัลิมวัลกัลินะวัลกามุลสาลิฮย์รฟะอิลัยฮิยัซะดุลกัลิมอัลทัยบ คำพูดที al ่ด ah ีจะกลับไปหา a l l ห h และงานศัลย์ก็จะได้รับการยกกลับไปหา Allah Subhana Wa Taala ช่วยกันเสริมแรงระหว่างงานศัลย์กับคำพูดที่ดีคำพูดที่ดีก็คือการกล่าวจีเกิลต่อ Allah การรำลึกต่อ Allah หรือการพูดดีกับพวกเรากันเองด้วยกันเองเนี่ยทุกอย่างที่เป็นคาพูดที่ดีจะช่วยส่งเสริมให้อามัลที่ดีของเรากลับไปหาอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى มละอิกัดกลับไปหาอัลล์มลอิกกลับไปหาอัลล์อัลมาอาจในรลมาอาจพูดถึงมลอิกัดที่กลับไปอัลล์ตอทุกวันหลัง subuh กับหลังอัรีหลัง subuh เนี่ยมลอิกกลางคืน ที่อยู่กับเราในช่วงเวลากลางคืนจะขึ้นกลับไปหาลอสุภาเนาตาอัลลแล้วก็จะมีมาลายกัตช่วงกลางวันลงมาประจําเวรประจําการพอถึงหลังอัซรีมาลายกัตที่เคยอยู่กับเราตลอดช่วงเวลากลางวันก็จะกลับไปหาลอสุภาเนาตาอัลลแล้วมลายกัตช่วงกลางคืนก็จะลงมาเพราะฉะนั้นหลังซุบูชกับหลังอัซรีเนี่ยสุนนะของท่านนบีให้ทําอะไรให้นั่งรําลึกถึงอัลลอฮ์ให้นั่งกล่าวอัซการ เช้าเย็นเพราะจะให้มละอิกัดเนี่ยนำอามัลที่เราทาตอนนั้นที่เราซิกิตอนนั้นเนี่ยกลับไปหาอัลลอฮฺในสภาพที่เรากาลังทาความดีอยู่นี่คือว่มาอย่ารูจูฟฮอัลกรูจอัล ذه ฮับฟีสูดวะฮฺอัลรหีมุลกฟุรอัลลอฮฺ تعالى นั้นทรงเมตตาหญิงและทรงอภัยหญง เป็นอีกสองคน ล, ลักษณะที่มักจะอยู่ด้วยกันอัลตตาร่าเมตตาเมตตาแล้วต้องอภยัยอัลตตาร่าอภัยแล้วต้องเมตตาสองคำนี้มักจะอยู่ด้วยกันกอฟูร์ราฮีส่วนใหญ่แล้วเราจะได้ยินคำว่ากอฟูรกอฟูรมาก่อนราฮีม ah ตามหลังแต่ในอ า, ายันี้ราฮีมมาก่อนกอฟูรตามหลังก็ไม่เป็นไร แต่จะบอกว่ามันยูวยกันปกติแล้วมันจะยูเรกันอย่างนี้อินนัลลอฮะกัฟูรุราะหีมอินนัลลอฮะแค้นกัฟูรันราะหีมะมานิซุราะส์สะบะย่อที่สั้นวะฮ์วฮ <No, ์อัลราะหีมุอัลกัฟูรอัลฮัมดุลิลลาเป็นยังไงบ้างครับเห็นไหมแค่สองอายะที่เราได้ไตรตรองจากสิ่งที่อัลลอฮานำเสนอในคาพีของพระองค์มันทาให้หัวใจของเรา มีกำลังวังชานะครับหัวใจของเราได้รู้สึกถึงพลังบางอยาว่านี่คือสิ่งที่เราตามหาเป็นสิ่งที่ทำให้เราจิตวิญญาณของเราได้เติมเต็มได้อิ่มเอมกับมันอินชาอัลลอสุฮาะวะตะอาลาน่าจะประมาณนี้ก่อนนะครับคืนนี้ไม่ไหวละนะอัลลอฮฺตะอาลาอาล้ัมอัลกุัลลอฮฺอิยาคุม لما يحب ويرضى صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب كرب العزة ع م ا يسيفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.